เรื่องภิกษุสองรูปเรียนทุระสองอย่างอันว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับในพระเชตวันทรงปรารภซึ่งภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปกุลบุตรสองคนอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีเป็นสหายกันไปฟังธรรมพระบรมศาสดา มีศรัทธาะแล้วซึ่งกามบวชถวายแล้วซึ่งอกคือถวายชีวิตในพระศาสนาอยู่กับพระอาจารย์และอุปชาได้ห้าปีเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามซึ่งธุระในพระศาสนาฟังแล้วซึ่งธุระสองอย่างได้แก่คันธะธุระและวิปัสนาธุระภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลแล้วว่าตนเป็นผู้บวชแล้วเมื่อแก่ ไม่อาจยังคันธาธุระให้เต็มได้แต่จากยังวิปัสนาให้เต็มดังนี้พระบรมศาสดาตรัสบอกแล้วซึ่งวิปัสนากรรมฐานภาคเพียนอยู่บรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีส่วนภิกษุอีกรูปเรียนคันธาธุระเรียนเองแล้วซึ่งพระพุทธพจน์คือประชุมแห่งปิดกสามคือพระตาปดก โดยลำดับย่อมกล่าวธรรมะย่อมสวดด้วยเสียงในที่ต่างๆมีสิทธิ์ห้าร้อยรูปเป็นบริวารเป็นอาจารย์คณะใหญ่18ปคณะอันว่าภิกษุทั้งหลายเรียนแล้วซึ่งกรรมฐ า, านในสำนักของพระสัสดาไปแล้วสู่สำนักอันเป็นที่อยู่ของพระเทระผู้พระอรหรันตั้งอยู่ในโอวาทบรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งอรหรันต์ ใครขอลากลับไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระเทระอร์อรหันกล่าวว่าท่านจงไปเถิดเมื่อถวายบังคมพระศาสดาแล้วจงไหว้ซึ่งพระมหาเทระแปสิบรูปและพระเทระเพื่อนของเราด้วยว่ากระผมฝากมากราบด้วยภิกษุทั้งหลายไปแล้วสู่วิหารถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดาว่าแล้วซึ่งพระมหาเทระแปสิบรูป และกลับมาแล้วสู่สำนักพระเทระผู้เรียนเอาคมพีไหว้แล้วกล่าวว่าอาจารย์ของกระผมเป็นเพื่อนของท่านฝากมากราบท่านด้วยพระเทระผู้เรียนเองซึ่งคำภีจำไม่ได้แล้วซึ่งสหายกันถามว่าแล้วอาจารย์ของท่านเป็นใครแล้วท่านปีเรียนซึ่งอะไรในสำนักนั้นมีการเรียนนิกายทั้งหลายในพระไตรปิฎกทั้งสามเช่นทีฆะนิกายเป็นต้น หรือนิกายอื่นๆบ้างหรือไม่คิดแล้วว่าภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่รู้คาถาในปีดกทั้งสามเอาแต่ถือผ้าบังสุกุลเข้าไปสู่ป่าได้อันเตวาสิก ค, คือสิกทั้งหลายมากหนอะถ้าหากอาจารย์ของท่านมาแล้วเราจะถามปัญหาในการต่อมาอันว่าพระเทรอรอหันมาแล้วเพื่ออันเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วไหว้แล้วซึ่งพระอสิติมหาเทระทั้งแปดสิบรูปกลับมาแล้วสู่สํานักของเทระผู้เพื่อนซึ่งเรียนเอาซึ่งคมภีร์พระเทระผู้เพื่อนอย่างภิกษุทั้งหลายให้กระทําแล้วซึ่งวัดแก่พระเทระอารหันนั้นถือเอาแล้วซึ่งอสนะมีขนาดเสมอกันนั่งแล้วด้วยคิดว่าจะถามซึ่งปัญหาในขณะนั้น ว่าพระาศาสดาทรงดารัสแล้วว่าอันพระเทระผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีเบียดเบียนแล้วซึ่งพระเทระอรหรันด้วยคําถามคุกคามซึ่งปัญหาพึงบังเกิดในนรกดังนี้จึงเสด็จไปสู่ที่สํานักนั้นเสด็จประทับนั่งแล้วบนพุทธอาฏทรงตรัสถามเอาแล้วซึ่งปัญหาในปฐมฌานกับภิกษุผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีกราบทูลไม่ได้แม้ข้อหนึ่ง ส่วนพระเทระอาหารหันต์กราบทูลซึ่งปัญหาทั้งปวงประถามแล้วซึ่งปัญหาในโสดาปติมักแม้มักที่เหลือแต่ภิกษุผู้เรียนเอาซึ่งคำภีกราบทูลไม่ได้แม้ข้อหนึ่งส่วนพระเทระอาหารหันต์กราบทูลแล้วซึ่งปัญหาทั้งปวงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันว่าอาจารย์ของเธอเป็นเช่นเดียวกับบุคคลซึ่งรักษาซึ่งโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนอันว่าบุตรของเราเป็นเช่นกับด้วยเจ้าของผู้บริโภคซึ่งรถของโคทั้งห้าตามความชอบใจหมายเหตุผู้อ่านคำว่าบุตรในที่นี้พระพุทธองค์มักจะทรงเรียกพระอรหันตสาวกว่าเป็นโอรสแห่งธรรมเป็นสักยะบุตรคือบุตรที่เกิดโดยธรรมนะครับ ทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าหากว่าอันว่านระคือคนหากว่านระผู้ประมาทแล้วกล่าวอยู่ซึ่งพระพุทธพจน์อันเป็นไปกับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแม้มากเป็นผู้กระทาซึ่งพระพุทธพจน์นั้นหาไม่ได้ไซอันว่านอระนั้นเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณนะหาไม่ได้เพียงดังบุคคลผู้รักษาอยู่ซึ่งโคนับอยู่ซึ่งโคทั้งหลาย หากว่าอันว่าโนาระกล่าวอยู่ซึ่งพระพุทธพจน์อันเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติซึ่งทำอันสมควรแก่ทรรโดยปกติอันว่าโนาระนั้นละแล้วซึ่งราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยรู้ทั่วด้วยชอบอยู่มีจิตหลุดพ้นวิเศษดีแล้วไม่ยึดมั่นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในโลกหน้าเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะดังนี้ ทรงตรัสพระคถาที่สองว่าอันว่าโนระใดรู้ทั่วแล้วซึ่งอัตถะรู้ทั่วแล้วซึ่งธรรมะประพฤติอยู่ซึ่งธรรมะอันสมควรแก่โลกุตระธรรมเก้ามีปาริสุทธิธ์ที่ศีลสี่ทุดงและอสุภกรรมฐานเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรในปกติย่อมเที่ยวหวังอยู่ซึ่งการแทงตลอดว่าอันว่ารอจักแทงตลอดในวันนี้วันนี้นั่นเที่ยวดังนี้ อันว่าโนระนั้นละแล้วซึ่งราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยด้วยการปฏิบัติชอบนี้กำหนดรู้อยู่ซึ่งธรรมะอันตนพึงกำหนดรู้ทั้งหลายโดยชอบโดยเหตุและโดยนยัยยามีจิตหลุดพ้นวิเศษแล้วด้วยอํานาจแห่งต ท, ทางคาวิมุตต์และวิคัมพนวิมุตต์สมุดเฉดวิมุตต์ปฏิปสัตธิวิมุตต์และนิสสารณาวิมุตต์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในโลกหน้า อธิบายว่าไม่ถือมันอยู่ซึ่งขันและอายตนะและธาตุทั้งหลายอันนับเนื่องแล้วในโลกนี้และโลกอื่นหรือว่าอันมีในภายในและมีในภายนอกดังอุปาทานสี่ชื่อว่าผู้เป็นมหาคีนาศกเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณนะคือผลอันมากแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณนะอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ามักด้วยนั่นเทียว แห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะคือกองแห่งธรรมะของพระอเศษขาห้าด้วยดังนี้ในการที่สุดรอบแห่งพระคถ า, าอันว่าชนทั้งหลายเป็นอันมากเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นได้เป็นแล้วอันว่าเทศนาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์แก่มหาชนเกิดแล้วดังนี้แหละ แต่ทางคาวิมุตต์คือหลุดพ้นชั่วขณะด้วยวิปาาัสนาญาณวิขัมภนาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยการกดข่มด้วยสมถะฌานสมุทเฉตวิมุตต์หลุดพ้นเด็ดขาดตัดด้วยอริยมรรคปฏิปัสัตทิวิมุตต์หลุดพ้นด้วยอริยผลนิสวรณวิมุตต์หลุดพ้นอิสระสิ้นเชิงด้วยนิพพาน